แราสีุเป็นโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิขอให้พบกันตรงอดีฐานจิตและว่าเราจะนั่งสมาธิเพื่อเป็นการปฏิบัติปูตาประพุทธและธรรมและสง เพื่อให้สิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิถิตเข้าฟังเกี๋สมาธิมีสถิตปัญญาสามารถกำหนดรู้อารมณ์จิตให้รู้แจ้งเฉลิถึงตามความเป็นจริง นอนจิตนอนใจลำเล็กถึงผลของพระ t พธิสัตว์ประทำประสงโดยนึกในใจว่าโคตรโห ใความโมโงไร้ซึ่งความรู้สึกึำนึกผิดทอตัวที่รูเตือนเบา่นที่มีอยู่ในจิตของเรา สติสังวรระวางตั้งใจแต่ละขั้วและพฤตีทาจีดให้บริสุทธิ์สะอาดมืคือคนแระทาที่ทาจุดให้มือเราโคตรเจ้าและทและสงอยู่ในจุด เพื่่นเื่อมันว่าเราพุทธเจ้าก็อยู่ในจุดของเราจะทำก็อยู่ในจของเราและของก็อยู่ในจของเราจุดของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจุดของเราทรงใบเส้ความรู้สึกเป็นนั้น จิตของเรามีควารมรู้สึกสำนึกสอดส่วดีตั้งใ จ, จะละท้วงละเพื่อตื่นทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อเรามีประสงค์ประพฤติทำประสงค์อยู่ในจิตของเราแล้วเราจะไปสะแสวงหาจากดูตรงไหนต้องแสวงหาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงอยู่ใ น, นใจิตในกายของเราเนี่ยแหละ ตายของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นอารมณ์ส่งรู้ของสุดสุญละลึกของแต่แม้แต่ความคิืความตั้งใจสจมาธิภ า, าวนาอบรมสมาธิตามนโยบายของศูนย์สมาธาิปัจจณาเพอเพราะอาศัยตายเป็นสื่อตาย ลำทางใจคิดถ้าไม่มีร่างกายตัวตนความคิดอ่านต้องเยๆจะไม่มีมีอแต่รู้อยู่เฉยๆเพราะอย่างไม่มีปัจจัยกายอาการใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อมีตายจึงรู้จักกำหนดแตติกำหนดจำปัจจัย กำหนดโลอารมณ์กำหนดลูกายเวทนาจิตและธรรมเพราะมีใายจึงตั้งใจอย่างดั้นได้แต่ถ้าหากว่าานี้สลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือแล้วย νε, ังเหลือแต่จิตผูู้ลดวงยดียวจิตผูู้ลจะทำอะไรก็ไม่ได้เพไม่มีกายเป็นเครื่องมือ การทำสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้มือสิงรู้จิตมือสิงและเลีกเราจะอาศัยการบริกรรมภาวนาโพโตสัมมาละหังยบหนอตองหนอไข่ใดเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างแลราะสงและนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์จิตเท่านั้น เมื่อเราภาวนาจิตสงบลงไปแล้วพุทโธยกนอของนอสัมมารหังจิตก็ไม่วาดเาไม่เด่นเดืถึงก็เลยซ้ำไปแต่ว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระแต่ตัวเองแล้มาเป็นเช่นนั้นวามรู้สึกมันก็ไม่สัมพันธ์กับโลกภายนอก แต่เพราะเวลาทีานั่งอยู่ในสมาธิเท่านั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ให้จตายานไพ่อารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์สุดขณะนี้เรากำหนดรู้สึกของเราเรายังไม่สิกอะไรยังไม่ได้คิดพิาอะไรไม่ได้บริกรรมภาวนาอะไร ของเราก็รู้อยู่เฉยๆเพื่อจะเป็นอารมณ์ที่ทำให้จกิดปกพันหรือเป็นอารมณ์มอันหนึ่งเดียวลงไป จ, จะต้องอาศัยตามคิดแอนาบ้างบริกรรมภาบ้าง มันก็เป็นแต่เพียงพาเป็นแต่เพียงวิชีเท่านั้นอย่นี้เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิลงไปอย่างแท้จึงแล้วสัมมาอะรหังมันก็ไม่ว่ายกหนอคองหนอมันก็ไม่ไหวโคตรมันก็ไม่ว่ามิจจะมันจะสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เติมเต็นั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปกำไปกังวน ถึงบริกรรมภาวนาให้มากนัดแม้ว่าเรายังไม่รึกถึงอะไรเป็นตัวเชื่งกำหนดรู้จุดของเราอยู่เท่านั้นาการกำหนดรู้จุดแกละรู้จักกำหนดแกละคือผู้รู้แต่จิตจิตไม่กำหนดรู้จิต มากำหนดโลกาแต่ก็มีอประตูสัมปชันยะคอยควบคุมดแูแลอยู่แต่เราประบูบิต่ อ, ตอนเนื่องกันไปแต่ตือมือพลังแต่กล้าขึ้นสมาธิก็แต่กล้าขึ้นจิต ก, ก็กลายเป็นความสงบ ดังนั้นขณาใดาที่เราบริตัพภาวนาอยู่จิตมันจะอยู่กับภาวนานั้นตลอดเวลาก็คอยให้มันอยู่แต่ถ้าช่วงใดที่มันเกิดความคืบขึ้นมาก็าให้กำหนดรู้ความคิบไม่ต้องย้อนกลับมาหาบริรรมภาวนาอยูเพราะมันจะเป็นการตั้งต้นใหม่ ปริธรรมนภาวนานั้นมันเป็นอุบายวิคือให้ปฏิบัติเพื่อได้สมาธิและพลังจิตไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่คลองใจในิธีการโดยมากำหนดเอาเรื่องชีวิตปะจําบันในปัจจุบันเป็นอารมณ์จิต ให้มือจติดกรรมกัรโูอยู่ที่การเดินเดินดั้งนอนและการดื่นความผุกชิดรห้มือจะติดดูตลอดเวลาเดี๋อจะติดสามประการด้ามมือพลังจะเต่กล้าขึ้นเขาจะปฏิบัติตนเป็นไปแลตนไเองโดยลำดับเริ่มตอนแต่ผสมม่าทานก็ติดได้ทาน แต่สุดายตสุดสายตาแ้วปัไปอยาวิญญาในอาตาสานตาจะชนะวิญญานตาจาชะแล้วจะไปยับยั้งจ้างพลังจิตจูได้แสนดาเวทร์ตามิโลกเพ่มันจะเกิเป็นสมาธิในขั้นที่ดีเหนือโลก แม้เป็นกานันรู้อะไรเห็นอะไรทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรจิตรานื้อเขาก็จะถือว่ามันเป็นบัวเพียงความคิดเท่านั้นแต่ความจตียงมันยังไม่ดีเพราะกาันการภาวนานี้สมาธิขัน้นต้นถึงเราเรียกว่าสมาถะนั้น เราควรจะรื้เร่วกริบัตบาเอาให้มันได้เราต้องมีความภาคภูยยมยธรรมเ้าแล้วนะ้าโอกาสนี้ขอให้ทุกท่านจงกำหนดกริตเอาสิดเศร้จุลมหายใจ หถ้าหากว่าใคภาวนามาคล่องตัวจํานึ่องจำนามแล้วก็กาหนดรู้จึดเถื่อในเมื่อจิดมีความคิดความรู้อะไรเถื่อขึ้นมาให้มีสจะตืรู้มีสจตือรู้เร่องอย่างเดียวเมื่อความคิเกืดอเส้นอย่ไปห้ามความคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสจะตือกำหนดตามรู้ คามรู้ไปจนความจะเกข่วงมื่้นมันจะกความสงบเองมันจะรูอะไรเนอะไร จ, จิตะเป็นผูเองโดยอัตโนมัติไม่อไยกัเขาแต่ถึงไปยุ่งแล้วมันจะเกความวุ่นวา ย, าย ต, ตงานงจตต้อง ตางอกต่างใจสะกดปฏิบัติแต่กำหนดรู้จุดลงไปถ้าจุดบ้างยูก็ให้วางอยู่นั่นถ้าจุดไปรู้ความแยมไปรู้ลมหายใจก็กำหนดรู้ลมหายใจเล่อยไปถ้าจุดเครื อ, อลงลมหายใจต้องเอย่องอื่น ก็ให้กำหนดรู้ความเพีรที่มันกำังเกิดขึ้นคือให้เราอยวลมหายใจเสียแล้วไปรู้อยู่ที่ความเพียรแลสิ่งที่จิตมันเพีรขึ้นมาแต่เมื่อาตุเของเรายังไม่มีพลังเพียงพอแม่เกิดเพีขึ้นมาแล้วเรากาหนดรู้เขาจะหยุดเพียันธุิถ้าเขปล่อยให้เขาหยุด ถ้าเายังจะคิดต่อไปก็ปล่อยให้คิดต่อไปตอนนั้นยืดีการปฏิบัตินี้ขอใหุกตุกพันรงจำหลักแบะยืดผีการไว้แล้วพยายามปฏิบัติตู่ โลยในขั้นต้นเราจะกําหนดรูลมหายใจเอาไว้ก่อนแล้จะกาหนดจุดเอาจุดไปจดต่อที่ปลายจมูกหรือจุดรูอยู่ที่จุดเทียงอย่างเดียวเมื่อปลายจุดจมูกความสัมพันธ์กันอยู่อะไรผ่านเข้ามาตามตาหูจมูกมือปลายกระดู ได้คือนงย่ำจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติหลางกายไม่รู้สึกอะไรหรอก้สกนรู้สึกส่ ร, สกร้สึกหนา้สึก ร, รสึกเจ็บปวด น, นีมันเกิดขึ้นที่กายเกิขึ้นทางกาย แต่หากว่าจะคือสงบถึงล่าไปและวถึงทับสมบัติไปจนเหลือจุดตัวเดียวร้อยเดินอยูเหนือโลกนั่นแหละเราจึงจะเชื่อว่าการดำเน็นสมาธิตามแนวทางแห่งชีวิตประจำวันนั่นจะได้ผลอย่างไรนั้นข่านจอมจะทราบเอง พอออกจากสภาที่มาแล้วก็ให้ตั้งใจกำหนดนสืทบทำจะสืจบจะสืบให้จะรูกอยู่ที่การเดินเดินด น, นั่งนอนนับทานดืน่นทำผูกพิสแม่เราพยายามปคืบอบัตรต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสมาธิสติปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ นั้นต่อไปนี้หลวงพ่อยกโทษเรามานั่งสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจคันดีอวามเปิดจแต่้เกาะจับเป็นของที่มีคุณค่าอย่างสูงส่งซึ่งมันเป็นผลเกิดจากการปฏิบัติที่เราปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติอันใดที่มันได้ผลดหรือไม่ได้ผลดีเราต้องสังเกตธรรมอันใดที่ดตเราสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนั้นแบบมันถูกต้องส่วนจิตจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรยันการท่านไหนจะไปทำล่นถึงมัน เอาแต่เพียงแค่การทุกอย่างโลดแล้วสามารถแก้ปัญหาจิตใจของเราให้มีแนวโน้มไปในทางที่มีความสุขสบายได้ก็เป็นการเพียงพอแล้วทางนีง้ทางนั้นจะจัดปัญหาข้อกองวลจัดปัญหาข้อกังวลข้อกังใจสงสัย ดังนั้นถ้าจะปฏิบัติแต่กำหนดรู้ลมหายใจก็กำหนดโคตก็โตอ่าโคลมเข้าโตลมออกไอนือจะคือกำหนดจดต้องรู้ดูที่ลมหายใจเออมันจะไม่มีที่คือเลยตรองอะไรเลยการภาวนาที่จะได้ให้ได้ผลดี แต่โทมจิอโฟมใจกันไปด้วยดีจะไปเย็บผู้ปีตานให้มากนะักให้ทำความเข้าใจเอาไว้ว่าการฝึกสมาธิทาสมาธิโดยการจิตให้มีอารมณ์สิ่งโลภะติมีสิงและเลึกยดธรรมชาติของจิตถ้ถามีสิ้นโลภะติตมีสิงและเลึกก็จะต้องสร้างพลังงานขึ้นทุกที บรรดาเจ้าของใจสงสัยังเรือใบตั้งซึ่งหาตอไปเรื่อยขอรูปโตกำความสงบเปลนจ่าเจรรัตเปลี่ยนให้หยุดไปเลยอย่าเล่นคนดูการบ้าจุดวนเล่แต่เลือามหน Ulously, ะความสมาธิอาวันดาเราบันดาโตว่าเจ้าตนเราหนดตัวอารมณ์อย่างไรทำสิ่งอย่างไรสิ hmm. ่งก็ไปสู pues ่ความสงบสิ่งเก่าดูให้สุดตาตาพบควรดูครั้งสครั้งแล้วอดาตินักสมาธิ แป็นมือดีสุดๆแอเดินิูัดลาได้อเดียวความจริงธรรม่าติปฏิบัิัดผลาก็ิบมันเป็นเทียอาอาเป็นเทียงเป็นเทียงภาพปฏิบัติเท่านั้น เราจะเอาสิ่งเอาจางต้องเอาใสของเราเปนผู้อิสระจึงจะเล่แก่ถึงจินด้วยตนเองอะไรตอนนี้ครับนักนิสิตหลอ เริ่มไม่ได้แล้วก็มนุษย์ต่อภูมิภูมิของความเป็นมนุษย์แล้วก็เธอว่าภูมิภูมิของเธอพระเจ้ า, าตั้งแต่เบอร์ดาท่านจะตุ่มไปถึงโนมคอมโลกท่านอาจจะมีขาพมนั่นแหละ สวรรค์หกน 6, แล้วก็ธรรมาโลกคือหกจนกระทั่งถึงท่านตุทาวาตอาจเป็นพรป็นอาจาเป็นภู ม, มิมีอพร่อมื ตามพงเือกว่าตาบาวัจละภูมิปัผู้ต้องเครืองอยู่ในตายกว่าตาบาวัละภูมิแต่ปัดในโลกเห็นเทวดาตตยังบริโภคตามอยู่กว่าตาบาวัจละภูมิ ประวัตหกพันต่อเป็นตามาวัชรภูมิตีกำนดตีอะไอะตรัฐานโยนิเกิดในกาเสณรัฐานมลตโยนิเกิดในมน เกิดในนรกอนุตตรกวัตถันเดิดดมือจำเดอีกอันหนึ่งนั่นโอปปาตูตาจำเดิโอปปาตูตาจำเดิดโดยพ่ครอ่ะพ่อผู้สืตาสดาเจ้าพุทธโดยไม่ไเข้าทองก็ทองม่ เอียกว่าโอปตาสุตะอย่างสัตว์นรกเมื่อก็ดขึ้นรูปสุตตะก็เกิดเป็นตัวสัตวนรกก็เกิดเป็ตัวขึ้นมาเลยเสวะดามก็เกิดเป็ตัวขึ้นมาเลยอันนี้เรียกว่าโอปตาสุตตะก็เนิ่ื่อาก็เกิดในพันเราก็สัตว์ก็ได้ัน ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ตัวเราเจอมีพ่อมีแม่คือมีพวกอันพระเกิดในเข่าไขา่หมายถึงพวกมาแรงวันพวกนอนอันนี้พวกกันเลิบมัน จากเกิดกขึ้นสังเสริฐพระเกิดในเข้าไข่แล้วก็เกิดในไข่แล้วฝาอันพระเกิดในไข่พวกไข่นี่ไข่ออกมาซะก่อนคื่อไข่เกิดแด้เกิดพวกฝักที่มีไข่ก็ออกมาเป็นไข่ก่อนพวกอันพระก็ อ, ออกมาเป็นตัวไม่ต้องมีเปลืกไข่หุ้ม อยู่ใรตำแหน่ยู่ในน่งมันเกิดอยู่ในจุดในพบพรมที่อยู่ในจุของเรานี่แหมายถึงวิถีทางเดิมของจิตอยู่ใพาจิตของเรานี่มูความเมตตาปลาลื้อมความอบอ้อมมูความปลาลื้ เกี่กับเวลาแผนถ้าเกิข้อเราเกิดในในภูมิของมนุษย์คอบของมนุษย์แต่ถ้าจิดข้อเรานี่มือมือโอตับะอายบาตกระตตัวต่อบาปมันก็โคจรอยู่ในภูมิของเทวดาแต่ทำสมาคือปิ เงอบพื่องสว่างโลตือตนแดดบา น, นนิ่มันก็ท่องเชื่ออยู่ในปมของเธอของเพระดาูมของเธอเระด า, ะดานี่ันหมายถึงปมของเธอพระดาสวรรค์หกขัด้วยูมของพระคมด้วย ตัวเมื่อภาหาว่ามันบป็นโลโซดาเป็นต้นตัวเมื่อตั้งถึงพระอรหันต์มันก็เข้าเกียวอยู่ในภูมิของโลภตาละเมื่อกว่าโลภตาละภูมิแต่าผู้เสงมพบภูมกันหนึ่ยท่าก็หมายถึงที่เกิดของจับทั้งหลาย แต่ถ pues ้าผูสื่อหรือผู้ตอือผู้เิดึงดาอจตนปสมจดผ่านมยเอาตั้งแต่จุนันไปเวทอารมณ์จหนึ่งจะเรียกว่าอุบัติการเิรดเรียกว่าประส ติดเนื้อถงอารมณ์อันใดเราก็ยึดติดที่ตรงนั้นเลือกว่าเป็่มชื้นตแต่ถ้าติดไปถึงอารมณ์นั้นเกิดร้างลงกะเลือกว่าติดติดเคลอนจากอารมณ์เดิมพอะป็นเราเอาเอาอารมณ์ใหม่ก็เป็นเป็นตุ่มชื้ หายพงการที่สุดนีอารมณ์เปิดบับเปิดบับเปิดับอู่ในปันจจุบันนั่นแหละแม่ม่พาพวกถึงเรื่องยาซื้อมันก็สับสนวุ่นวายแต่รู้ไว้สิอาใครแม่รู้ แต่ว่าสุดของเราเต็มอ ย, มอยู่แต่พวกไม่ถูงก็ใช้ได้่าัอนปิญาตและปฏิบัติ่มันเป็นของอคู่กันเวลาเราฟังพูดเราเรียนปนิญาต แต่อถ้าเราฟังแล้วเรากำหนดจิตรู้ตามทำสติรู้ตามรอบๆตอนนั้นเราก็ได้ตัทั้งสฏิบัตทั้งปฏิบัติไปรอบๆเพราะเหตุเพื่อที่เราจะยึดได้ตอนนั้นมันเป็นอารมณ์จิตแต่ถ้าเรามีสติพวกภูมจิตเกี่ยกับทางฟังก็เป็นการปฏิบัติทำ เาเจ้าสอนทำท่านไม่ไบอกปรนังสมาธิจิตนันทำจิตนี้นท่นจจา น, น, ทนไม่ไบอกดเาท่านใุตนตกลั้งเป็ น, น, น ส, สนนผู้นนดจดจเอามาเพิมติด้วยเววเมตตังเววเมตตัง เตบังสมัยังเข้เข้าว่าเมืเอัอข่าพระเจ้าผู้ชื่อว่าพระอาณนไดสะดับมาแล้วอย่างนี้เตบังสมั ย, ยังในสมัยหนึ่งพระทว่าพระผู้ดีพระพ่าเจ้ามีไฮเลสุแระทับอยู่ อุตุปั ต, น, น, น, ตนในมรรตภาเุนตาอุตุปันะมรตธาตุวันซึน่งเต็มตาเต็มทุอยู่ของพวกวางทั้งหลาย คือมาแล้วก็แสดงธรรมบทต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าไงภาวนาพุทธภาวนาโตก่อนพุทธสั่งหลควรสดสอย่างอันแบบประทุนไม่ควรช่องตืบจะดิมจงกลมล่างสมาธิก็คือเกียรติัวจะตัวเองจะตาย นี่และตามัุกขันธุสารนุโยมันเต็มของตามของเลวตามเต็มของชาวบ้านผู้ไม่ใส่หาความดูโลกทั้งหลายเป็นอารมณ์ของจิตจิตผู้นี้ะตื่สัมปชัญญะโล้อยู่เหนือโลกไม่จุดพันอยู่กับโลก แต่ก็อาศัยโลกอยู่แต่ไม่ทำให้โลกเนะี่ยไม่ปล่อยให้โลกพรมานจิตใจอันนั่นสิ่งที่อยู่เห น, นืนนนอาามมนโลกนะั่นแหละคือธรรมะคืออาตตินิมัตฐานโลกเนี่ยมันคืออะไรการพรมานตนให้ได้รับความลำบาก เ, บ เ, บเหน็ดเหนื่อยเปล่าแต่หาประโยชน์อันใดไม่ได้ จิตใจของเรานี่แทนที่ว่าเราจะพยายามสร้างให้มันเป็นอิสละไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดก็ไปปล่อยให้เดิดตันหาลาคะมันพลมานมันพลมานเกิดให้เกิดามเดือดกอนลาคะโททะโมหะ ลาคะแต่เส้นรุ่มลมจสียมันทำให้จิตใจร้อนลมโคสะแตเส้นทำให้จิตใจร้อนโมหะแต่เส้นมันก็ทำให้จิตใจมันร้อนเหมือนกันล า, าคัติไปเจอลาคะโคตะทีไปเจอโคตะโมหะที่ไปคือโมหะ บอว่าจะให้ตกอ ใ, ในอำนาจของถึงนี้เอาไม่าได้อันนั่นคืออัตาจาิรมาศาในโยตาเห็นโลกก็ให้โูกมันลาบคอไปหูได้ยินเสียงก็ให้เสียงมันลาบคอไปจมูกได้กลิ่นก็กลิ่นมันก็ลาบพอไปจมูกได้รสรสมันก็ลาบพอไปายสัมผัสมันก็ลาบพอไป มันเอาไปทรมานอรมานให้ตกอยู่ในอำนาจของมันลงผลุ่ยท้ายสู้มันไม่ไหวแต่พวกเชือดยาง ก, ก็ต้องล้มเหลวเหนียวขาไม่ซื้อบวชสูก็ถูกคนลากต่อไปแลเนินบวชสูก็ถูกคนลากต่อไปเอาไปทรมานนั่นแหละอาจารย์คุณธมถานโยโย่อยู่ไปเบิ่งใจแหละ หลวงพ่อชื่อเสือเอาตำรามาอ่านให้ฟังเอามันของจริงๆ น, น, นี่แหละหลวงพ่อกะทุกมันทรามานมาจนจะตั้งผมขาวเลยเด็กกว่า<ม>จะอยู่ได้สบายหน่อยๆจนผมขาเป็นสองสีเดินมาฝันมันทรามานเอาเป็นเอาตายจริงๆนางเตื้องโตกันทรมานนี่นอนน้าตาไหลตื่นให้มาหมอนเสือเลย การนั้นได้จิเตมันพลมานลายจิตใาให้จิเลสมันพลมานไม่ต่อต้านมันไม่ได้นั่นแหละผูกมันพลมานผูกมันบิบังคับอัตตาจิรมัตฐานอุโยคือทำไมท่านจึงไม่ต้องเสดการสุขความสบายนันไม่ใกล้ชิดมันการสบายหลายมันประมา เมื่อประมาทแล้วมันก็นิ่งนอนใจไม่คิดที่จะหาทางต่อสู้ขับไล่มันในที่สุดก็ตกเป็นทาดมันนี่ในเมืสองอย่างนี่พึกงตวไม่ควรก็พ้าจะมาต้งไม่ควรต้องเสดพระองค์ก็ที่บอกว่า มัสสมาปฏิปทาเดยทางสายกลางทางสายกลางนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่การปฏิบัตินี่ถ้าตามรู้สึกสามันทนนี่มันรู้สึกรู้สึกขรมานจิตใจ้วยสามมาที่ถือตามเห็นชอบ ว่าแตนโดยพวกตัวไปก็เป็ความเห็นผูกต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีอพระรรมมีพระสงฆ์มีบนมือบาทนี่ทำดืได้ดีทำทั่วได้ตัวอันนี้คือความเห็นชอบเห็นผูกต้องมีว่าแต่เราง่ายๆอย่างนี้มันถึงเข้าใจง่าย เ็การที่จะทำจิตของเราให้เกิดเห็นชอบเนี่ยมันจะรู้สึกทรมานเหมือนกันแต่ว่า เ, เราถูกทรมานแล้วพอผ่านพ้นจากการทรมานไปแล้วมันได้ความสุกความสบา ย, ยแต่รักษาเส้นโอดเข้าแดงแดงร้อนกลัวจะตัวจะตายก็ทรมานเหมือนเด แต่ว่าถ้าตาตั้นอุประจักษ์ก็ได้แล้วท่านดูท่นบุญจ่านกุศลทำได้เพราเราให้เกิดเป็นพูดกันโดดมากน้อยจะไม่ได้รักษาเสรได้บริสุูสดเริูบุญดีได้ก็จะอาจว่าจดก็จะอาจบัสจาดโทษแต่มันก็รู้สึกเฉื่เฉืนอเราะลมานโดยนั่นแหละ แอ่งั้นเราจึงมาขัดรักษาศีลให้มันต้องให้มันทานิชทานาจดเจตนางดเพิ่การโทษนั้นนั้นให้มันตั้งตัวจนตาย็นตามเป็นอื่นเมื่อมันจะถึงเราาไม่ต้องรับรัต่อนั้นลดเ่อันั้นต่อนั่นงดเวิ่มอันนั้น การตะรวมอยู่ที่การสำรวจตาหูจมูกลิ้นกายใจใจแต่เราการรักษาศีลโดยเจตนานี่เป็นการฝึกสติสื่อแบบเฟตสติทวาเราตั้งใจว่าจะไม่งดไม่ละเมิดศีลข้อนั้นคือเราจไม่ทำผิดไม่ละเมิดเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้มันผิดอันนั้นมันถู แต่เมื่อเธ็ไปจนสั่งทำนี้ทำนานแล้วคือใายเพราว่าเราไม่เด้ตั้งใจเลยแต่าตโยมเ่ถามยมงพอเวลานี่ว่าไอ้เสือสองลย่นุ๊เสียอแต่หลวพ่อเจอได้ ม, ดามาคุโตก็บอมาเจอไปแหละตาติโมกพอฟองนี่คคยปวดท้องหรือแด่โดยสุชาตจะลืมๆไปบ้างแล้วความจำมันเสื่อมแต่ตอนสมัยน้สมัยหนุ่มเนีน่ยท่อง จับทางโหดต่อเลยแะมันก็ยากแน่นอนด้วยนั้นเมื่อมันเต็นเองขึ้นมาแล้วมันก็มีความสำรวมอยู่ที่ตาวาจาตัวจิตเท่านั้นนะสำรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูตาพระนี่มันเป็นตาขาตัวเองตัวยม มอ่างนองมาเป็นตัวอะไรดูไม่เปน่ยมันเกิดโทเต้ลองดูเพื่อตรงกันข้ามตรงนั้นก็สวยตรงนี่ก็งามตรงนั่นก็เบาตรงนี่ก็แข็งเป็นอบัดทุกข์กดกวดนองคือก็เป็นอบัดทุกข์กดเกิาดูด้วยความกหลังจินดูก็เป็นอบัดทุกข์กดแต่งานท่านจงให้สํวนตาจับจมจม พระพุทเจ้าท่านถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจัดสรีบัตในจัดสรีเทื่ออย่างไรธานนท์ก็คุณให้พระพุทธเจ้าตันเทื่อให้ตันอานนท์เึล่อนเพื่อว่าจัดสรีเทเออื่อห น, นึ่งออยาดูอานนท์จะถามตําก็ดูว่าถ้าจําเป็นต้องดูล่ะ ถ้าจําเป็นต้องพูดอย่าพูดแย่พูดเยอะถ้าจําเป็นต้องพูดถ้าจําเป็นต้องพูดให้สำลุด น, นะเพื่อให้มีสตุกถ้าเรากําลังพูดจับจัตรีเต้จะไดเรื่องของพระเนื่อไม่ใช่ว่าพูดจับจับตรีเ ต, ต้จับตีแล้วก็คือไม่ออกก็ไม่ออกนั่นแหะ ผู้หทั่วไปนั่นเช็นอย่างพระเจ้าพระอาจาะตามถนนโหนทางจะไปยืนคุยกันอยู่ไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนพูดไม่ได้พวกญาติโยมตัางหลายมาปฏิบัติเจ้าจาเอาไว้ไหนด้วยเวลาจะไปหาพระหาเจ้าให้มีเพื่อนเป็นผู้ชายไปด้วยอาจไปส่องๆดูพระองค์ไหนนั่งอยู่องค์เดียว ท่นไม่มีเพื่อนพระอยู่ด้วยหรือพระฤๅษี่เป็นภายอยู่ด้วยอย่าเข้าใกล้ตนอยู่ลกลางโลกค่าเข้าเลยทื่มันมาบวชตนตามเนี่ยหลวงพอเอาหน้าวอ ก, กวอาดให้อ่านเล่มหนึ่งพอมันอ่านจบแล้วมันรู้วินัยพระเดินสวนทางกับพระท่านพักพายปลายสยมันยกมือไหว้มันเดินหนี อย่านี้เวลาพระยี่มีโอกาสจราไปถามว่าเวลาฉันพักษัยทำไมทำไมถึงไม่พูดกับท่านมันบอกว่าพร ะ, ะแสดงธรรมแต่ผู้ผู้ถึงเกินออกคำต้องระบาดตาจิต 40. ก็ไม่ได้แสดงธรรมคำพูดก็เคยทรบ้างอย่ีงนี้ท่านครูบาองค์ใดคือ เราเข้าไปนั่งคุยเย้ยไร้ระจะมานั่งเป็นเพื่อนแบบขับใล่หนีไอยูยุกหนีอันดีระเป็นอาบัติเราไปทำให้พระเป็นอาบัติเราก็เราก็เป็นบาปไปด้วยในนี้ภาคบทหนึ่งอิทธิอิทธิรมมัจรรยัตะมลังจาตตรยเป็นมนินสองสมมติ ว่าเวลาทะลุาบาดผู้ค น, นไม่ออกได้แต่ใส่บาดสาไปแต่แต่พระบาทผู้หญิงนี่เป็นมนุษยของชมมัติคือในถ้าหากว่าผู้ไม่เลื่อมใสในการปฏิบัติคือปฏิบัติข้อจริงๆแล้วแล้วเดี๋ยวพิณายของพระนี่มันทรมานจิตใจจริงๆนะ ที่บวกในศาสนาแล้วที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเพราะมันอดทนต่อการทรมานไม่ได้ในตอนต้นๆนี่มันจะรู้สึกพรมานมันเหนื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแม้แต่ จ, จะนั่งจะนอนจะเดินจะเหินอะไรมันมีระเบียบทงคัดลอกถา้าในมีระเบียบทางคัดลอกถึงขนาดนั้นมันจะไม่เนสมบัติของผู้สรงเพื่อสังะ แต่ ว, ว่าถ้าปฏิบัติได้แล้วมันทำให้จิตใจสบายต า, ายก็ไม่มีโทษวาจาก็ไม่มีโทษเมื่อโทษไม่เป็ทางกายทางวาจาใจมันก็เย็นมันไม่เหี่ยดร้อนโทษปฏิบัติสรให้บริสุทธิ์สะอาดได้นจนคนแ้ากล้าอาถาร เข้าตูสังคนใดก็ไม่กระทกบกระทา้านเราก็ไม่หวาดรแวงว่าจะมีใครจะมากล่าวทักพ้วงว่าเราเป็นผู้เสียหายโดยที่คนได้ จ, จะเข้าต า, าเข้าตรงผู้ถือปีศาจจากใครก็ไม่กลัวเพราะผมีเศษบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่ละแล้วเส้นชีวิตของตัวเองเคลื่อแลกกับคนน่าทำ ในธาูดไดยังเห็นว่าถึงนตัวตาบอดเพื่อใดแตโอ้มันจุกจุกจุกจกเพระุทธเจ้ามันน่าจะล่าไรถึงขนาที่เลยนั่นเป็นมิจฉาทิสุไม่ใช่สัมมาทิสุสัมมาทิสุความเห็นทอบมันก็ขาดไปสัมมาสังกัปปะความดำริทอบคือสามทิสทอบ เ พ, พืวางแนวปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองทะเลากคู่ปฏิบัติรู้ปฏิบัติชอบสำมาสังกตะาดำหรืออบดำหรือหาวิชาความรู้ดำหรือหาอาชีพการงานที่ถูกต้องตามสื่ อ, อและทำหลักกฎหมายปกครองบ้านเมือง แต่ดำริเฉพาะแต่ถึงที่มันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนเองและครอบตัวายื่งใครดำริหาคุณธรรมเป็นเคื่องคุณใจของเราด้วยยิ่งดีพิเศษเป็น ย, ย, ยากิโยมดำริอากันมาเข้าศูนมาเจ็บวดเนคือพามมาปฏิบัติสมาธิสวดมนภาวนากันอยู่นี่มันเป็นผลแห่งความดำริพ่อ มี่รู้เอาง่ายๆอย่างนี้เราจึงจะรู้ว่าเราได้อะไรสามาวาจาลาทอ้อนี่จะเป็นมัชองหนึ่งาล า, า, าท้อาวะชีวิุจลึกเือไม่พโพคก๊ไม่โพคพันหยาบ ไม่พูดเท่อเจอเหลวไหลพูดแต่สิงที่เป็นสาระประโยชน์เป็นสื่เป็นธรรมแล้วก็ไม่พูดตัดต่อยุบยงให้สังคนต้องแตกก้ากันอันนี้เรียวกว่าวาจาทอกพูดกับลูกกับหลานลูกเอ๊ะตัง้งใจไปลงเรือนตัง้งใจเรือนไม่เจอให้มันได้หมักมาตอบให้มันได้ที่หนึ่ง เมื่อว่าจาชอบพอเติท่ามาแล้วก็เอ้ยบบเอ้ยอียมื่อกีเสียซือทันเม่งกี้หัวใจใึ้นคจนั่งดามันกูมือมือว่าจาไม่ชอบการสอนลูกสอนหลานจะสอนด้วยความอากแต่มันเหมือนกันกับสอนให้เด็กม่ได้ใสอยากคาย พอมโดยการพบการดูการเชื่อ็นการสอนให้เดกมันกระเจ้าลด้อย่างนั้นนะลูกนะอย่างนี้นะลูกนะเมื่อตอนที่หลวงพ่อไปอยู่กรุงเทพดอแลไปดูยินพูดดูเขาพูดกับลูกกับหลานเขาอย่างนั้นนะครับอย่างนี้นะครับเฮยเกิดหน่อยเกิดป่วยหนก็ยังไปคับไปพากันมันเข้าเป็นคนบันหอกเขาเขาก็บอกหูทำเนียมเขา มันหูาา้ข้าสาจะมาในอ้ออันนู้มันเป็นอุบายสอนเท็เขาก็พยายามพูดแต่ว่าใจาไพละเลาะเด็กมันจะติดนิสไยมันจะเอาอย่างอันนี้เรียกว่าสัมมาวาจาเปล่าชอบเปล่าสิ่งที่เป็นื้นเป็นธรรมเปล่าสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ ออกมาแล้วเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมาทรรมนโตการงานทอบการการทำงานประกอบการทำมาหาเรื่องชื่อไม่ผิดศีลและทำในกฎหมายโดวยว่าการงานทอบในทางศ า, าสนาปฏิบัติศนลสมาีิปัญญาอันนี้ก็เป็นการงานทอบ เป็นพระเป็นตงก็ทำงานพ่อตนเองคือศึกษาเท่าเรียนบุราณต่อมแานเตนาสนะตัดปาทำความสะอาดคนิบัตรตูบาอาจารย์อันนี้เป็นการงานพออของพระสงฆ์สัมมาวาจาเมื่อเรียนทอบในสรุปเอาตรงคือเรียน ละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วควรต้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นควรจะแลกกุศลเพนให้เกิดขึ้นควรรักษากุศลให้ดำลงอยู่ควรบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพืเพิ่มพลังแห่งคุณธรรมให้มากขึ้นมากขึ้น เนสามารถปฏิวัติตสืบู่สืบหมายปลายทางสืบพระนิพพานได้อนุเรศสั ม, มาวายามะเพื่อนทอ่อสำ ม, มาตามรึกระลึกพ่อระลึกในคนน่าทำในสืบในทำะระลึกในคนของพระพุทธเจ้าละลึกในคนของพระธรรมละลึกในคนของพระสงฆ์ะระลึกในคนของเทวบดาเทวิตามานา ละเล็กจะได้เจอเพื่อ ท, ทำให้เจอบุอนนว่าเจอสุุผลอนุเราะว่าสติสัมมาสติละลึกทอดในทางปฏิบัติละลึกไปในตาในจิตเช่นอย่างเราตวจอย่างโ็โโโโโโโเมตาโยนี่ยอยู่เป็นสัมมาสติเป็นะ อย่าง็มีตาโยไายของเราฤๅแมอุดสางตาลัตลาเบืองบนแต่เพิ่มข้าวขึ้นตาอโเตสามัสตาเบื่องตัำแต่ปลายผมลงไปแล้วก็ละเลิกปลาผมผมและปานนังเลื่อนกระดูกมีอเรียกว่าสามมาสติละเลิกรอบละเลิกไปในคนของลัพพเจ้าลัพพเจ้าเป็นผู้มือละคนอันยิ่งใหญ่สามประการเือนปัญญาคุณ เราองโลดโลดชอบด้วยพองค์เองโลไดสอนบุคคลอื่นใหู้ลตามด้วยแล้วเลือกสงคนของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสติแล้วก็เลือกสงคนของพระธรรมเลือแสงเลือกเสื่องคนของผู้มีคนเลือกเสื่อคนเสื่อคนทานที่เรามีอยู่เป็นสัมมาอเป็นสัมมาสติและหลวงพ่อมมาสมาธิ สมาสมาธิตั้งใจมั่นครอบเพื่อตั้งใจมั่นต่อการทำสวยงามตามดีอาจเป็นสาระัตรจมั่นคงต่อการงานที่เรารับสืบเช่าอยู่มั่นคงต่อครอบครัวที่เรารับสืบเช่ามั่นคงต่อการรับสืบเชอาในลูกในหลานของตนเอง ศาสนาให้มันมีความตกความเจริญด้วยวิภาความรู้ปัจสมบัติเกียรติยศอันนีสมาธิสัมมาสมาธิือตั้งใจมั่นครอสำหรับภาคปฏิบัติก็มั่น้องต่อการปฏิบัติถึงสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ อันนี้เสธทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ผู้สุเป็นสาวกคือตัวกันยบทติตามลุ่ยไปลุ่ไปลุ่ไปลุ่ไปอันนี้ท่านสอนให้งดเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติแม้ผู้ท่องทางแห่งคุณธรรมที่ควรปฏิบัติตาม เมื่อท่านวางเพื่นฐานของจิตให้มีความมั่นคงให้มีสิ้นมีสมาธิมีปัญญาดีดูดีต่อไปท่านก็แสดงสแสดงเรื่องธรรมชาติอันเป็นสภาวธรรมให้ฟังดูครับท่านสแสดงว่าอย่างไร ดังโตปนตุเตเวโดขังอริยสัจจางตาติสุขทาชลาติสุขามรำติสุขังโตปปุเตวทุกขโทมารังตายาสาติสุขาอติสุสัมปโยโคทุโภติเจสุปโยโคทุโภยัติสนละฆาติสังตุสุขังสติเจนัตติสุขาทานขันธุคุขาโดกรุโสทั้งหลาย วิดังข้อพระนันว่าทุกันนี้แหละขาคือทุกขาแม่ข้าคือความเสื่อก็เป็นาาทุกขลาคือทุกขาความแก่ก็เป็ น, นทุกข์มื่อนาคือทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ตตปริเทวะความตกเท้า ความล่ำไรซ้ำซวนก็เป็นคุกอาติยาคือสำเบลย์คอกขอความถสงิพร้อมด้วยความอืดทันดืดใจคือสิ่งที่มาดืดพันดืดใจนั <c ười> <cooking>. ่นมันก็เป็นคุกความโผมนัดน้อยใจก็เป็นคุกความคัดแคบใจก็เป็นคุกคือเรียกว่าโดยย่อ อกตาตาหนักขันตาเย็ดมั่นเผลอมั่นในโลกเตยธนาสัญญาตั้งขานวิญญาณว่าเป็นอัตตาตัวตนก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นยอดของความทุกข์ดูท่านแสดงของจริงให้ฟังเตยเตยเป็นก็คือกาหนดคือตามแต่แสเสียงแห่งธรรมะเถิดธนาธรรมชาติของจิตที่มีสิ่งโลภจะถือมีสิ่งละเล็กย at ่อมเพิ่มพลังงานซึ่งทุกตือทุกตือ เรื่องในเมื่อแสดงถึงเรื่องทุกข์แล้วอะไรมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงแสดงข้อต่อไปว่าอือดังพ่อปนาพิพภเวงดุขตมดาโยอริยะสัจจังยายังตันห้าโปโนภวิจานันดิลาเกษตราตาตาตาตาตินันดิมือเตยอยที่ดังตามตันห้าภาวะตันห้ายุภาวะตันห้า โลกความคือโตทั <mister ius> ้งหลายสมุทยคือตัญหาสามได้แก่คามปัญหาความใช่ในความวิภวะปัญหาภวะปัญหาความใช่ในพบคือความมีความเป็นแล้วก็วิภวะปัญหาความไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่พึงพอใจทั้งสามอย่างนี้เป็นสมุทยคือกลัวการให้เกิดความทุกข์ คือแสดงแสดงเหตดของความปุ๊กความท้าเดืยทายาทจะเรื่องว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วตามันก็หันหาโล่นหาห่งแต่ได้มาดังใจมันก็สบายใจไปทำไม่ได้ดังใจมันก็เกิดทุกข์แต่ได้ดังใจแล้วมันเกิดความยืดีมันก็ความมาปัญหาถ้าเกิดฝังก็รู้ภวะปัญหาถ้ายึดในสิ่งเหล่านั้นโกคันอยู่มันก็เป็นภวะปัญหา ถ้าาปเลือกตื่ไหนปุ๊บมันก็เกิดตื่นั่นเพะว่าตื่นพบถ้าเราไปเลือกตั้อาตื่นตามเกิดมันก็เกิดขึ้นแทนต่นจุดมันตรงแต่งนันเองเราตามเกิดามตายนี่เรามีอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าก็เกิดตื่นหนึ่งหายใจออกตาทตหนึ่ง มาหายใจออกไปแล้วลมมันไม่กลับเข้ามามันก็ตายนแงแสเลยเกิดไมีอารมณ์ขึ้นมาทีหนึ่งมันเกิดที่หนึ่งอารมณ์นั้นดับไปมันก็ดับไปมันก็ตายทีหนึ่งเมื่อเราไปมีการยืนยืนได้กับอารมณ์ที่เกิดดับนั่นเป็นตัวปัญหายืนยืนก็กล้ามปัญหายืนได้ก็รู้ภาวะปัญหาไปยึดก็ภาวะปัญหาได้มาพบกถึงทัวอย่างมันเต็มไป ไม่สมประสงค์ม yeah, ันก็เกิดธาตุความเกิดเกิดความไม่พอใจเกิความดีใจเกิความเสียใจถ้ามันไปยึดตัวในที่นั้นนานมันละไม่ได้มันก็กลายเป็นความแก่ถ้าเกิดแก่เกิดนั่นซ้อนตัวในที่นั่นมันก็ตายอยู่ที่นั่นเดี๋ยไปเต้นใจไปไม่ไหวเต้นใจใไม่พอใจโดยเด็กโดยการกับหมอลำอีสานเ5้าลัมเา ใจไม่ว่าใกล้ใกล้สังสารปนตายเห็นไม่ได้เอาตาเห็นแูดุ่มาเว่าสั่งเด้อเพรตาดูดักพต้องดูใกล้ใกล้ตูในใจของตูเองหรืเกิดแตายมันมันูมดไม่ต้องไปมองดูตาเข่าตาแก่ยายเขายายแก่อะไรั้ดูใจแล้วมันเกิดแเกิตายอยู่ในใจ้คมฐานมันอยู่ที่งเนื้อร่ามันสบาย การในเมื่อเป็นก็คือกำหนดจตตามรู้ไปรู้ไปรู้ไปเป็นกระทั่งจิตแฝงแต่รู้แฝงผึงขึ้นมาปล่อยวางแต่จิตละเล็กจลน้อยในที่สุดจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางโดยเครื่องทำไม่รัเอกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปมองเห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดู่แต่ไม่ยึดยูยึดใจจิดเป็นกลางโดยเครื่องทำเป็นปกติ และพระองค์ก็แสดงธรรมต่อไปอีปดโโอังโคปณทพัวะนกขนนโรโธอริยตจัดจังยศต้าเยวะตันธายะอเจตติาดเนโรโธจาโปตินิตจาโธโมติอนารโยในมาจิตเป็นปกติรั้ก็อพอนคลายความกำหนัดจินดีเกิดเป็นจางโดยเชีื่องทมทุกท่างหลายมันก็ดับเพืเรียกว่านิโรธ ในมื่อความยืนยนยนได้มันดับไปสุดกลางสุดสายสาดบรสุทธิ์กลางก็มองเห็นทางที่จะดาเนินต่อไปความกลางของจิตคามปกติของจิตส <Mat as> ั้นเตื่องถึงจิตเื่องกลางมั่นคงอยู่นั่นคืองสมาธิจะตื่นสามารถกําหนดตามรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับจูเตื่องปัญญา ก็ได้ถือสมาธิสัญญาด้วย่งได้ดรงอสมาธิเวรนุกานิโรธการิมีปฏิปดาอริยสัจจังอนวะอริโยขงยิโมักุเตยี่ตัง สัมมาทิ m ตรสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาสัมมาัมันสัมมาสีโปสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิในัิัติมิาล